แก้มือ่อด้วยอาการเห็นความเมือบุความโดยดังตรินจะทาโดยทวีช่างพินิจอาการเมือเป็นเรื่องธรรมดาของคนธรรมดาจุดเริ่มต้นของความเมือคือการขาดสติสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวปล่อยจิตปล่อยใจเลื่อนลอยไปกับอารมณ์ที่ไม่ชัดเจน เมื่อคุณเห็นใครสักคนตาลอยคุณอาจรู้สึกขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งว่าตัวตนของเขาหายไปจากโลกนี้ชั่วขณะจนอยากทักว่าใจลอยไปอยู่ไหนหรืออยากให้เขากลับมารับรู้เรื่องตรงหน้าที่มีคุณเข้ามาร่วมโลกร่วมหายใจอากาศเดียวกันกันกบเขาแล้วแต่เมื่อใดที่คุณเหม่อเสเองและไม่มีใครมาทักให้รู้เนื้อรู้ตัวละ่ะจะทำอย่างไร บางคนขาดความสนใจโลกเก็แต่หมกมุ่นหดหูก็เพราะเมื่อบ่อยนี่เองอาการเมื่อนั้นถ้าเมือมากจนผิดปกติก็เรียกว่าโรคทางใจชนิดหนึ่งได้คือโรคเมือโรคขาดการติดต่อกับภายนอกถ้าพูดให้ครบ ก, ก็ต้องว่าขาดการติดต่อแม้กับภายในด้วยเช่นแม้คิด ก็ไม่ทราบว่าตอนเองกำลังคิดเรื่องอะไรอยู่แล้วก็เป็นไปได้สูงที่โรคเมือจะพัฒนาเป็นโรคสงสารตัวเองโรคซึมเศร้าตลอดจนโรคอยากจบชีวิตโรคเมือระยะเริ่มต้นอาจชวนคุณฝันกลางวันวาดวิมานในอากาศหากใครจินตนาการดีฝันหวานเก่งก็มักติดใจ คือพอเกิดความคิดมาชักชวนใจให้ล่องลอยขึ้นสู่วิมานในอากาศวาดเรื่องราวแสนดีที่ไม่มีทางเป็นจริงใจก็กระโจนทยานตามความคิดขึ้นสู่วิมานในอากาศไปเต็มๆคงจำได้ว่าเมื่อติดอยู่กับวิมานในอากาศคุณจะไม่อยากฝืนห้ามตัวเองและไม่อยากกลับคืนสู่สภาพอันแห้งแล้งของโลกความเป็นจริงอีก นั่นเป็นเรื่องของโรคเมอขั้นเริ่มต้นแต่โรคเมอขั้นรุนแรงอาจชวนให้คุณปฏิเสธโลกความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิงและอาจทึกทักอะไรไปต่างๆนาน า, นาได้สารพัดโดยมากเป็นในทางแย่นั่นก็เพราะความเมอเป็นอากุศลจิตอากุศลจิตมีลักษณะเศร้าหมองมืดมนอับจนหนทางยากจะสว่างขึ้นมาเอง เปรียบเหมือนถูกขังอยู่ในห้องทึบไร้หน้าต่างเมื่อไม่เห็นแสงไม่เห็นสีสันไม่เห็นความสวยงามคุณก็ย่อมจมแช่อยู่กับความมืดเห็นแต่สีดําเห็นแต่ความน่าเกลียดน่ากลัวอันซ่อนเร้นอยู่ในก้นบึ้งของจิตที่ชุ่มกิเลสเว้นไว้แต่คนที่ความบกพร่องทางกายโรคเหมือไม่ใช่สิ่งติดตัวมาแต่เกิดมันเป็นอาการสั่งสม ซึ่งหมายความว่าอาการเมื่อเป็นสิ่งเพิ่มได้ลดได้ใครชอบเมื่อจัดจัดตอนนี้แสดงให้เห็นว่าสั่งสมอาการเม่อมานานแต่ใช่จะต้องเมื่อเรื่อยไปเพราะถ้าเลือกว่าจากนี้คุณจะเม่อน้อยลงก็แค่ทำความเข้าใจกับต้นสายปลายเหตุของความเม่อเพื่อกระจัดสายเหตุนั้นทิง้งซะ สาเหตุหลักของความเมื่อได้แก่ข้อที่หนึ่งความเหนื่อยอ่อนเปลี่ยวเพลียพูดง่ายๆคือความล้าทางกายบีบให้หอยเหี่ยวหมดกำลังที่จะตั้งสติรู้เห็นอะไรรอบตัวแต่ก็อาจอยังไม่ง่วงขนาดอยากหลับให้สิ้นเรื่องสิ้นราวจึงคาราคาสังอยู่กับอาการหลับก็ไม่ใช่ตื่นก็ไม่เชิงเรื่งงกลางๆอยู่ คนที่จำเป็นต้องทำงานหนักและไม่เป็นเวลาบ่อยๆร่างกายอ่อนแอลงก็คงยากจะรักษาสติไว้ให้เข้มแข็งยิ่งถ้าเลิกงานแล้วหันมาทำเรื่องไร้สติเช่นเหวี่ยงแหดูรายการทีวีหรือคลิกเลือกเว็บไซต์ไปเรื่อยแบบไม่มีจุดหมายชัดเจนจิตใจก็จะยิ่งคลุกเคล้าเข้ากับคลื่นความคิดปั่นป่วนเป็นสนวนให้เกิดความเมื่อขั้นหนักได้ การมีวินัยในการออกกำลังกายให้แข็งแรงตลอดจนการกำหนดเวลาพักผ่อนให้ได้ความรู้สึกสดชื่นเต็มอิ่มและหลีกเลี่ยงกิจกรรมชวนฟุ้งซ่านวกวนนับว่ามีส่วนช่วยแก้เมือได้อย่างตรงกับเหตุความขี้เกียจและความไม่เต็มใจจะทำอะไรให้ดีขึ้นก็คือการเลือกสนับสนุนให้ตัวเองเมินนักขึ้นเรื่อย ข้อที่สองจิตไม่มีงานหรือไม่มีจุดหมายคือไม่มีเรื่องน่าสนใจให้กระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นพูดง่ายๆคือความไร้ที่ตั้งของจิตทำให้จิตล่องลอยคล้ายว่าวสายขาดเมื่อเคยชินที่จะปล่อยใจให้ลอยไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งก็ยากแล้วที่จะดึงใจให้กลับมาตั้งอยู่กับปัจจุบันเฉพาะหน้า งานบางประเภทเช่นที่มีลักษณะนั่งเฝ้าหรือยืนเฝ้า น, านานๆโดยไม่มีเหตุการณ์กระตุ้นความสนใจเข้าข่ายก่อให้เกิดภาวะจิตไม่มีงานโดยตรงนับว่าน่าเห็นใจแต่ความจริงก็คือมนุษย์เราสามารถสร้างจุดสนใจขึ้นมาได้ง่ายๆเสมอไม่ว่าใครจะมีอาชีพการงานแบบไหนทั้งพุทธเราถือว่าในเมื่อพลาดมีชีวิตขึ้นมาแล้ว ก็ต้องรับผิดชอบด้วยการรู้และดูชีวิตตลอดไปการปล่อยให้ชีวิตคลาดสายตาหรือหลุดลอยไปสู่โลกของความเมื่อไร้สตินับเป็นความไม่รับผิดชอบที่มีโทษหนักอย่างน้อยชีวิตก็จะไม่เป็นอย่างที่มันควรเป็นและพลาดหลายโอกาสที่น่าเสียดายอาจถึงขั้นกลายเป็นเหตุให้ตกต่ำอย่างคาดไม่ถึงตัวอย่างง่าย พอเมื่อบ่อยกำลังสติก็ถอยระลึกถึงอะไรอะไรยากขึ้นสมรรถภาพทางความจําเสื่อมถอยกลายเป็นคนขี้หลงขี้ลืมตั้งแต่ยังไม่แก่หนักกว่านั้นพอเมื่อมากสมาธิก็สั้นตั้งใจทำอะไรได้ไม่นานก็สะดุดความรู้สึกอยากทำอะไรให้สำเร็จก็เหลือน้อยกลายเป็นคนขาดความเชื่อมัน่นแล้วไร้ความมุ่งมัน่น กระทั่งรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถทำอะไรสำเร็จได้สักอย่างแม้เกิดฮึดนึกอยากทำสิ่งใดให้สำเร็จจริงจังสักทีก็จะออกแนวต้นแรงปลายแผ่วเสมอไปไม่ถึงดวงดาวเสมอพอเห็นโทษของความเมื่อคุณก็พร้อมจะจัดการกับความเมื่อมากกว่าตอนไม่ตระหนักถึงโทษของมันฉะนั้นสรุปว่าการเห็นโทษของความมอือ จะนามาซึ่งความใส่ใจเฉพาะหน้าซึ่งความใส่ใจนั่นเองที่จะขจัดภาวะจิตไม่มีงานไปเสียได้คำถามที่เหลือคือเราจะใส่ใจอะไรในระยะยาวคำตอบที่ง่ายเหมือนกําปั้นทุบดินคือใส่ใจว่าคุณกาลังเมอหรือไม่เมออยู่นั่นเองเมื่อรู้ตัวว่ากาลังเมอ คุณได้ชื่อว่าเห็นความเม่อและทันทีที่เห็นความเม่อความเมื่อจะหายไปและถูกแทนด้วยสติชั่วขณะหนึ่งปัญหาคือขณะเมื่อเต็มที่แปลว่าสติขาดหายอย่างสิ้นเชิงคุณจึงไม่มีสิทธิเห็นอะไรในขณะที่กำลังเมื่ออยู่ต่อเมื่อนึกขึ้นได้ว่ากำลังอยู่ในอิริยาบถใดาหายใจเข้าหรือหายใจออก หรือกำลังอยู่ไหนเห็นหรือได้ยินอะไรตรงหน้านั่นเองสติจึงกลับมาแม้ไม่เต็มบริบูรณ์แต่ขอเพียงครึ่งครึ่งกลางกลางของสติก็เพียงพอแล้วที่จะทราบได้ว่าเมื่อครู่เมื่อไปแล้วแม้คุณจะเห็นความเมื่อได้แวบเดียวแต่ชั่วขณะนั้นก็ได้ตระหนักว่าความเมื่อทำให้โลกหายไปทั้งใบ ไม่ว่ากายไม่ว่าความรู้สึกไม่ว่าสีสันหรือสัเสียงรอบข้างต่อเมื่อมีอาการระลึกได้ว่ากายอยู่ตรงนี้ใจอยู่ตรงนี้สภาพแวดล้อมอยู่ตรงนี้คุณจึงทราบว่าพึงล่วงพ้นจากเขตแดนของความไม่รู้ไม่เห็นออกมาได้หยกๆยกเห็นบ่อยเข้า คุณจะตระหนักว่าธรรมชาติของใจต้องลอยหายไปเป็นพักๆและคุณจะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นธรรมชาติอะไรอย่างหนึ่งที่ไม่เป็นตัวของตัวเองอยู่ตลอดเวลาควบคุมไม่ได้ว่าจะให้มาหรือไปควบคุมไม่ได้ว่าจะให้ตั้งอยู่นานแค่ไหนระหว่างวันจะต้องเข้าสู่ภาวะหยุดรู้หยุดฉลาดทีบ่อยเพียงใด คุณได้แต่ให้ปัจจัยของสติคือพยายามระลึกบ่อยเท่าที่จะระลึกได้ว่าเมื่อหายไปแล้วพอทํทําไปจะเกิดช่วงขณะที่คุณระลึกได้ว่าเอาอีกแล้วเมื่ออีกแล้วคุณอาจพบอะไรอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ให้ความรู้สึกว่าเป็นคุณเพราะมีแต่ภาวะรู้หรือว่างจากรู้นั่นแหละจิต นั่นแหละที่ถูกสำคัญว่าเป็นตัวคุณมาตลอดแท้จริงมันไม่ใช่ตัวใครเลยมากที่สุดที่มันเป็นไปได้คือจิตที่รู้สติและจิตที่เมื่อลอยเท่านั้นข้อสรุปว่าจิตเมื่อไม่ใช่คุณนั่นหละประโยชน์สุดยอดของการเห็นความเมื่อความเมื่อเป็นสิ่งน่ารังเกียจแต่ก็น่าเห็นให้ได้ เพราะเป็นทางเดียวที่จะไม่ต้องอยู่กับมัน